2.34 วิธีปฏิบัติของหลวงพ่อวงเล็บเปิด29พฤศจิกายน2550ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที1ิบวงเล็บปิดหลวงพ่อภาวนาด้วยวิธีอย่างนี้ตกค่ำไหว้พระสวดมนต์ทาสมาธิเดินจงกรมเป็นข้อวัดก็ทําไปทุกวันวันไหนเหน็ดเหนื่อยฟุ้งซ่านมากก็ทําเพื่อความสงบ ว่าไหนาจิตใจสงบดีแล้วเราไหว้พระสวดมนต์รู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆอย่างเราเห็นปากมันอ้ามันหุบเห็นร่างกายมันสวดมนต์ใจเราเป็นคนดูเรารู้สึกเลยตัวที่กำลังอ้าปากอยู่นี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรือเรานั่งภาวนาหายใจเข้าหายใจออกอยู่ใจหนีไปคิดก็รู้ทันใจไปเพ่งลมหายใจรู้ทันใจเป็นอย่างไรรู้ทัน หรือบางทีจิตรวมเข้าไปนะเห็นแต่สภาวะธรรมบางอย่างที่มันไหวๆอยู่ภายในไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะจิตเรารวมเข้าภายในเราเห็นข้างในมีความกระเพื่อมไหวอยู่แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่จําเป็นต้องรู้เราก็รู้สภาพไหวไหวนั้นไปพอเรารู้สภาพที่ไหวไหวแล้วจิตเราถลําลงก็รู้ทันว่าจิตถลําลงไปเราดูความเคลื่อนไหวภายในแล้วจิตเกิดสงสัยว่าอันนี้คืออะไรรู้ว่าสงสัยการภาวนานี่จะไม่มีเว้นวักเว้นตอนนะ ค่อยๆฝึกอย่างนี้หลวงพ่อใช้เวลาไม่นานหรอกประมาณเจ็ดเดือนเพื่อจะเรียนรู้จิตใจตนเองเมื่อเราเรียนรู้จิตใจตนเองได้ดีแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็บอกเลยว่าเราช่วยตัวเองได้คนที่ยังไม่รู้ทันใจตนเองยังช่วยตนเองไม่ได้หรอกเพราะกิเลสมันครอบงาใจของเราทั้งวันมันจะลากเราลงอบายไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตใจตนเองแจ่มแจ้งแล้วกิเลสครอบงาใจไม่ได้ มาได้เหมือนกันนะมาได้แวบๆพอสติะระลึกรู้ก็ขาสะบั้นตรงนั้นเลยเราก็ปิดอบายไม่ต้องไปอบายได้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามีที่พึ่งละ่ะคือมีพระตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ใช่แค่สวดมนต์ว่าพุทธังสระนังขจามิธํามังสระนังขจามิอันนั้นมีที่พึ่งเฉพาะวาจาในใจยังไม่มีที่พึ่ง ใจยังเป็นเด็กร่อนเร่พาเนจรไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเราภาวนาจนเราเข้าถึงจิตถึงใจที่แท้จริงได้แล้วเราจะเกิดความอบอุ่นใจว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่แล้วเมื่อก่อนเป็นลูกกําพร้าไม่รู้ว่าเป็นลูกไข่ ต่อมาเราภาวนาเข้าถึงจิตถึงใจตัวเองได้ครั้งแรกนะเรารู้แล้วว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่พ่อแม่ของเราก็คือพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่สอนเราจนเราได้ดวงตาเห็นธรรมเราจะรู้สึกว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราครูบาอาจารย์องค์อื่นๆถัดมาแม้ว่าท่านจะสอนเราจนบรรลุพระ อ, อรหันต์นะเราก็ไม่รู้สึกว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราจะรู้สึกเหมือนว่าท่านเป็นพี่เราเป็นพี่เลี้ยง ดังนั้นคนใดได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมของท่านผู้ใดจะรู้สึกซาบซึ้งถึงอกถึงใจว่าท่านผู้นั้นคือพ่อคือแม่ที่แท้จริงอันนี้สําหรับในชาติภพนี้แต่ในสังสารวัฏพ่อแม่ใหญ่ของเราคือพระพุทธเจ้านั่นเองเรารู้แล้วเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแต่ยังเป็นลูกที่หลงทางอยู่ยังกลับบ้านไม่ถูกเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเรารู้แต่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่เด็กกําพร้าพ่อแม่เรายังมีเราหาไม่เจอหลงออกจากบ้านไป ดังนั้นจิตใจของผู้ปฏิบัติถ้าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับคนซึ่งพยายามหาทางตะเกียกตะกายกลับบ้านหรือเทียบเหมือนกับคนที่เรือแตกในทะเลรู้แล้วว่าฝั่งอยู่ทางนี้ก็พยายามตะเกียกตะกายเข้าหาฝั่ง